สิขาบทที่3เรื่องพระชัพพัคี608สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสูจชัพพัคีชัช้นบิทาบาดเจาะลงในที่นั้นนั้นพระบัญญัติสพึงทำความสำเนียกว่าเราจากฉั้นบินาบัดไปตามลาดับเรื่องพระชาคีจบ สิกขาบทวิพังพิกษุเพิงฉันพิณตาบาดไปตามลำดับพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันพิณตาบาดเจาะลงในที่นั้นนั้นต้องอาบัติทุกกฎอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1นพิกษุไม่จงใจสองพิกษุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข่ห้าพิสูจตักให้ผู้อื่นจึงเว้าแหว่ง6กพิสูจนตักเกลี่ยลงในภาชนะอื่นจึงเว้าแหว่ง เจ็ดภิกษุตัดแกงอ่อมแปดภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องเก้าภิกษุวิกุจริตสิบภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่สามจบ